พระไตรบิดกนั้นถ้าเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคมีพระชนอยู่เนี่ยนะพระองค์นั้นหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็เทศที่เรียกว่าเทศคำพูดนั่นเองคำเทศก็คือคำพูดที่พระองค์แสดงออกไปแต่คาพูดของพระพุทธเจ้าต่างจากคาพูดของคนทั่วไปคาพูดของคนทั่วไปเอาไปปฏิบัติตามแล้วไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ แต่คำพูดของพระพูเ้เท่าเจ้าพระองค์แสดงแล้วผู้ที่ฟังเข้าใจปฏิบัติตามเข้าถึงความพ้นทุกข์ น, นะนะเพราะว่าที่พระองค์สามารถพูดแล้วคนอื่นไปปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะก็คงไม่ลืมอย่างที่เราฟังชาดกวันนี้ที่ว่าพระองค์นั้นบําเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับ บริจาคทานอย่างหาที่สุดไม่ได้รักษาศีลอย่างหาประมาณไม่ได้เจริญกุศลเหลือขนาดนับตลอดเสียสงไขยแสนกลับเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อมีความรู้ทั้งหมดก็จะได้แสดงเรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีสัพพัญยุตยา น, นี้เป็นสมุทฐานมีกรุณานี้เป็นเหตุใกล้ก็แสดงออกมาแสดงเป็นพระธรรมคําสอนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติคือเข้าใจแล้วก็บรรลุมรคผลแม้กระทั่งเทศนาการแรก พระ อ, ะอัญญากนทันยัก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพรหมทั้งสิบแปโกรธก็ตรัสรูม้มรรคผลเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แสดงพระธรรมอย่างนี้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพรรษาทีนี้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงในแต่ละหน แ, แต่ละแห่งก็มีผู้ที่ติดตามฟังตลอดเหมือนเงาตามตัวนั่นก็คือเรียกว่าพระอนนนะ่ยนะพระอนนนั้นเป็นผู้ที่ติดตามฟังพระผู้มีพระภาคแสดงเนี่ยเหมือนเงาตามตัว ถ้าทำหมวดไหนที่พระผู้มีพระภาคไปแสดงที่อื่นที่ไม่มีพระนอนุนไปด้วยพระนอนุนได้ขอพอหน่อยว่าถ้ากลับมาต้องมาแสดงให้ท่านฟังอีกเนี่ยนะแั้นพระนอนุนก็จะเป็นที่เรียกว่าธรรมะพันธาคาเรกเป็นผู้ที่เก็บกลางเก็บเก็บพระธรรมาไว้เนี่ยนะก็ข้อมูลท่านจะเก็บอา้าวแล้วท่านไม่ลืมหมดหรือก็บอกไม่ต้องห่วงเทพสมัยนี้ถ้ายังว่านะยังเลือนได้แต่พระนอนุนเนี่ยไม่มีเลือนแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะไม่หายแม้แต่หยดเดียวเนี่ยนะจะไม่มีหาย ท่นท่านรักษาพระธรรมเหล่าเนี้เป็นอย่างดีเสมอด้วยชีวิตของท่านท่านก็ติดตามรับฟังติดตามปริบัติรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังคําสอนนะตลอดระยะเวลาจนจวบพระผู้มีพระภาคดับขันปรินิพานนี่นะซึ่งก่อนจะดับขันปรินิพานพระองค์ก็ยังตรัสกับพระนลย้ําอีกครั้งว่านะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดับขันปรินิพานไป เธอทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระศาสดานั้นหมดแล้วอย่าไปคิดเช่นนั้นนะแล้วก็เป็นเป็ น, ปนหลักอีกอย่างหนึ่งของศาสนาว่าพราะองค์ไม่ได้มอบงานไว้ให้เป็นรายคนว่าคนนั้นจะไปทํางานแทนพระองค์เป็นต้นพระองค์ไม่แสดงแบบนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่นอนอานนทธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสนาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเรา พระันพระองค์ก็บอกว่าธรรมวินัยทั้งหมดที่พระองค์แสดงไว้นะจะเป็นศาสดาของพวกเธอนะเนี่ยนะไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นทีนี้พอพระองค์ดับขันปริิพานผ่านไปไม่นานพระมหากรสปะซึ่งพระองค์เน้นยกย่องคุณธรรมต่างๆพระมหากรสปะนั้นก็ปรารบที่จะเรียบเรียงคำสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้ตลอด45พรรษา ขึ้นสู่สังคีติหรือที่เรียกว่าสังขายนาแปลว่ารวบรวมธรรมวินัยขึ้นว่าธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหมดนี่คืออะไรท่านก็มารวมคณะสงฆ์ที่มีคัดเอาแต่หัวหน้าคณะซึ่งพระพิสุสงฆ์เนี่ยหลายแสนในสมัยพุทธกาลคัดเอาแต่หัวหน้าคณะที่เป็นอสีติมหาสาวกซะส่วนใหญ่ท่านคัดเอาห้าร้อยเนี่ยนะคัดเอาเฉพาะห้าร้อยที่เหลือท่านไม่เอาเอาเฉพาะห้าร้อยนี้ แล้วก็ทําที่เมืองราชครึกสังขยานาพระธรรมเนี่ยนะรวบรวมพระดายวิโดกเอาไว้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการส่งจำํำทายทอดสืบสื บ, สบมาเนี่ยนะทีนี้กระบวนการรักษาพระธรรมวินัยนี้เราไม่ต้องสงสัยเลยเพราะสมัยนั้นเขาท่องกันได้เกือบทุกองค์ก็เหมือนกับมาทุกคนสวดมนต์ได้นะมาสวดร่วมกันเนี่ยถามว่ามันจะผิดเพี้ยนได้ไหมตอนที่สวดกันเนีเขาจะมาสวดสาธยายคู่กันจะสวดสาธยายกันผิดเพี้ยนน้อยมากเนี่ยนะ แล้วก็มาจวดพ่อสอเกือบพันร้อยท่านก็เริ่มมาบันทึกเนี่ยนะมาบันทึกเป็นพระไตรปิฎกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแล้วก็เริ่มกระจายออกไปณประเทศต่างๆเนี่ยนะที่ที่เป็นอักษรเนี่ยนะเมื่อเป็นไปณประเทศต่างๆทีนี้เอ่อแต่ละประเทศ ก, ก็จะมาชนกันเนี่ยนะว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าผู้ที่อ่านฉบับภาษาบาลีจะเห็นเข า, าจะทําเชิงอัดไหม เช่นอาจบางท่านอาจจะว่าสะอาบางท่านอาจจะว่าสะอาเนี่ยนะซึ่งต่างกันไม่ใช่ประเด็นหลักคล้ายๆกับผิดนะเหมือนสำนวนไทยก็ออกเสียงสูงเสียงต่ำเท่านั้นเองที่ผิดไม่ได้อ่าเป็นเป็นปัญหาหลักอะไรแต่เนื้อหาเหมือนกันหมดเลยทั้งฉบับไทยอังกฤษหรือฉบับพม่าฉบับสิงหนหรือฉบับเขมรจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะก็จะมารวบรวมมาทีนี้ประเทศต่างๆที่มีใจรักปรารถนาที่จะให้ธรรมะคาสอนส่วนนี้ เผยแพร่สู่ประชาชนมากเขาก็เริ่มแปลออกมาเป็นภาษาของชาวประเทศนั้นๆชาวคอมเมตก็แปลเป็นคอมเมตชาวไทยก็แปลเป็นไทยอังกฤษก็ของยุโรปของชุดอังกฤษเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษของสิงหนก็แปลเป็นสิงหนของพม่าก็แปลเป็นพมา่าเพราะนั้นก็จะมีพระไตรปิฎกต่างภาษาด้วยกันแต่ความหมายเนื้อหาอัตถะจะเหมือนกันหมดเนี่ยนะทีนี้นพระไตรปิฎกนั้นในแรกๆท่านก็จะไม่ค่อยสงสัยในเนื้อหา ตอนหลังๆนั้นเนื้อหาคนก็เริ่มเข้าใจผิดเพี้ยนบ้างเนื่องจากคําอธิบายโบราณก็ยังอยู่ก็มารวบรวมเรียบเรียงขึ้นเรียกว่าอัตกถาเพื่อที่จะอธิบายพระพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยนะก็รวบรวมมาเป็นอัตกถาก็เลยเป็นพระไตรปิฎกกับเป็นอัตกถาก็แยกกันอยู่แต่ทีนี้อย่างตอนนี้ของมหาเมกุตก็เรียบเรียงทั้งอัตกถากับพระไตรปิฎกมาอยู่ในเล่มเดียวกัน อนถ้าอ่านพระไตรปิฎกเสร็จก็อ่านอัตถกาถาต่อมาอ่านพระไตรปิฎกอ่านอัตถกาถาต่อมาอคําที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระองค์ก่อนจะดับขันพริญนิพพานพระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่ที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วธรรมวินัยเหล่านั้นน่ยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะนั้นตอนนี้ภาษาศาสดาที่ที่รูปเปรียบที่เรียกว่าขันห้าของพระองค์เนี่ยนะคือรูปของพระองค์นี้ก็แตกทําลายแล้ว เนี่ยนะที่ที่ส่วนรูปประคันนะผมผมบางส่วนยังเหลืออยู่เนี่ยนะผมบางส่วนที่ตอนที่ปตัดธ้มเมาลีเนี่ยนะแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศนั้นพระเกศายังอยู่เป็นบางส่วนเนี่ยนะที่ยังเหลืออีกก็คือพระธาตุที่เรียกว่าหนึ่งน้ำฟันกับกระดูกที่ที่ยังเหลือที่ส่วนเป็นรูปประคาศรูปประคันเนี่ยนะทีนี้รูปประคันเนี่ยปกติมันต้องครบสามสิบสองมันจึงจะทรงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันไม่ได้ เมื่อรูปปัจขันต์แตกทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเหล่านั้นก็เป็นอันแตกทำลายแต่ว่าก่อนที่ขันเหล่านั้นจะแตกทำลายได้ฝากผลงานเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เรามนุษย์และเทวดาอย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะคำสอนเหล่านี้ที่เลือดเรียงมาเป็นพระตาปิดกเนี่ยเมื่อสมัยพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์ก็จะเที่ยวแสดงเปิดเผยพระธรรมเหล่านั้นด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็มีพระสาวกทั้งหลายผู้ผู้ เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นนั้นก็ช่วยประกาศพระธรรมเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ตอนนี้พระ อ, องค์ดับขันปริณิพันธ์แล้วก็ยังเหลือแต่ธรรมะวินัยเท่านั้นเองทีนี้ธรรมวินัยนั้นก็มีการเก็บบันทึกไว้ในหลายรูปแบบนะรูปแบบอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎกอ่าสมัยใหมก่ก็ทันสมัยไปอีกเยอะก็คือบันทึกในสิรีลอมเนี่ยนะก็กว้างขวางออกไป ทีนี้แต่ว่าพระไตรปิฎกที่เป็นภาคหนังสือเนี่ยกระจายไปสู่สาธารณชนได้ปริมาณที่มากกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาช่วยร่วมกันรักษาพระธรรมคําสอนเหล่านี้เอาไว้พถ้ารำคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้เพราะอะไรเพราะว่าทางเพื่อความพ้นทุก์นั้นมีอยู่ทางเดียว คือทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ทางอื่นไม่มีหรอกถึงผู้อื่นจะมาตรัสรู้อีกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองงั้นผู้อื่นก็จะไม่รู้ถ้าภาษาศาสนาหมดไปก็ได้หวังได้อย่างเดียวว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จะไม่มีผู้ใดค้นพบเองในในระหว่างจะไม่มีเนี่ยนะดังนั้นพระธรรมคาสอนเหล่านี้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเคยสะสมบุญเอาไว้นะถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ตรัสรู้รม ถ้าถ้าไม่รู้แนวทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเขาไม่สามารถจะปฏิบัติและบรรลุเองเว้นแต่พระปจเจกับพุทธเจ้าซึ่งมีปริมาณ น, น้อยมากท่านก็พูดจะ บ, บรรลุก็ต้องอาศัยพระปจเจกับพุทธเจ้าทีนี้อย่างในยุคนี้สมัยอย่างนี้จะไม่มีพระปจเจกับพุทธเจ้าและพระปจเจกับพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมคาสอนเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะที่ที่เรียกว่า ทุกวันนี้เรามายอ่อเรียกว่าพระไตรปิฎกหรือยอ่อไปก่อนนั้นเรียกว่าธรรมวินัยก็ได้ธรรมวินัยเหล่านี้แหละจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายผู้มีบุญเก่าที่เคยสะสมไว้หรือทำบุญให้ทานเป็นต้นตั้งความปรารถนาไว้จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แสดงไว้ท่านเหล่านั้นก็จะถึงความพ้นทุกข์ ทีนี้ศาสตร์ทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมากนักก็มาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคสอนเอาไว้อย่างนี้พอศึกษาก็ชื่อว่าบําเพ็ญหรือสร้างบุญเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะก็เพื่อแทงตลอดสัมโพธิญาณคือสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอริยมรรคแต่ถ้าสัมมาสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอรหัตตมรรคของพระพุทธเจ้าอันเราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นนี้ แนะถ้ามีบุญวาสนาบารมีหรือเคยบำเพ็ญกุศลอย่างมากเอาไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเราก็สามารถภาพเพียรวิริยะอุตสาหะเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติตามสา ม, มารถที่จะบรรลุมรรคผลในศาสนานี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมไว้บุญบุญเอาไว้มากนักในพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อ น, ก, อนการศึกษาเหล่านี้การเรียนรู้พระธรรมคำําสอนเหล่านี้ก็จะเป็นวาสนาภาคยะคือส่วนแห่งวาสนาบารมีต่อไป เนี่ยนะทีะ่สังสารวัตรที่ยังเป็นไปเราทั้งหลายก็จะมีเกาะมีที่พึ่งอันพระธรรมคำสอนเหล่านี้ถ้าดํารงอยู่ในโลกตราบใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกเหล่าสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพรานะน่าโอกาสครั้งนี้เราทั้งหลายมาร่วมช่วยการรักษาพระธรรมคำสอนเหล่านี้ด้วยร่วมกันทั้งนะจัดสร้างสร้างเสร็จก็ช่วยกันเผยแพร่ทั้งเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้ควบคู่กันไปเนี่ยนะก็ ลักษณะที่คล้ายๆกับเจริญร้อยตามผู้คนอื่นนะนะเราอิ่มด้วยเราก็แบ่งให้ผู้อื่นอิ่มด้วยเนี่ยนะก็ช่วยๆแจกกันไปถ้าทำคําสอนเราได้ศึกษาด้วยเราก็ควรที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นเขาได้มีความรู้ความเข้าใจด้วยเนี่ยนะทีนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเราได้ศึกษาเราก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เรามูญติทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปประโยชน์เพื่อความสุขแก่มูญ่า สัพพะศาทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่สัพพะศาทั้งหลายเพราะฉะนั้นกุศลครั้งนี้ที่ได้ร่วมบำเพ็ญเนี่ยน ะ, ะด้วยความสําเร็จล่วงจากหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยนะคุณชูศรีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงหมู่คณะคณะศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะก็เชื่อว่าสืบทอดต่ออายุพระศาสนาเพราะตัวศาสนาถ้าหากว่าขาดความเข้าใจในคําสอนสัอย่างไม่มีใคร สืบทอดได้อย่างแน่นอนอันเราก็ร่วมสืบทอดพระาศาสนาในด้านนี้ด้วยในขณะเดียวกันก็สืบทอดด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีหลายท่านที่มีกรุณาหวังประโยชน์สุขต่อผู้อื่นก็ร่วมกันเผยแพร่เช่นวิทยุเป็นต้นเนี่ยนะอย่างครงผู้การธงชัยก็เป็นประธานใหญ่ในการเผยแพร่ทางวิทยุส่วนคนอื่นๆก็ร่วมอนุโมทนาไม่ใช่น้อยเนี่ยนะตลอดถึงคนร่วมที่ช่วยกัน ร, ร่วมบันทึกทําจัดรายการทั้งหมด ท, ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ สัตว์ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําคสอนเพราะว่าพระธรรมคําคสอนที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นะแม้กระทั่งตอนบําเพ็ญบารมีตอนให้ทานให้บุตรให้ภริยาทั้งหลายท่านก็เพื่อปรารถนาให้บริสุทัิพันยุติยานเพื่อจะยังเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เชื่อว่ามาเจริญรอยสืบทอดเจตนารมณของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือทั้ง พวกเราทั้งหลายด้วยในนะั้นทั้งสัตว์อื่นด้วยเพราะนถ้าทำคำสอนเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ศึกษาก็จะได้ศึกษาผู้ที่ได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพื่อความเจริญงอกงามในพระัตนาตรายยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอด้วยพระรัตนาตรายไม่มีเนี่ยนะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นคําสอนที่สอนให้พ้นจากภุกจริงๆ โมพระอริยาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติแทงตลอดคําสอนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆอันผู้ใดที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าปฏิบัติตามไตรสิกขาแทงตลอดอริยสั์สัตว์ตเหล่านั้นก็พ้นทุกข์ได้ณโอกาสที่เราได้บําเพ็ญร่วมกันครั้งนี้กุศลทั้งหมดที่ได้บําเพ็ญ น, นั้นจงเป็นอุปนิสัยเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดพระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้แล้ว จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่อทางตลอดมรรคผลอนะตลอดจนถึงรู้แจ้งพระนิพพานทุกคนทุกท่านก็ร่วมขออนุมโมทนาเช่นน